ตัวความยินดีในอารมณ์นั้นนั้นเป็นตัวก่อบพบใหม่เฮ้เราไม่เคยคิดเลยว่าเอ้ความเพลินในอารมณ์เหล่านี้เป็นตัวก่อพบใหม่ไม่ไม่ค่อยคิดเลยอ่าเพิ่งมาสังเวชใจไม่นานมานี้เองโอ้โหพระพุทธเจ้าทํำไมพระองค์เก่งเหลือเกินว่ะไอความเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นตัวก่อบพบใหม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นโทษเลยหมู่สัตว์ทั่วไปนะสนับสนุนทํำยังไงคนจะได้เพลินในอารมณ์นั้นนั้น แต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคบอกไอ้ความเพลิดเพลินอันนั้นแหละเป็นตัวก่อพบใหม่นะจึงเห็นโอ้โหพระองค์นี่คือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนสอนแบบนี้อสอนว่าไอ้ความเพลิดเพลินเนี่ยคือต้นตอแห่งวัตทุกข์ต้นตอแห่งสังสารทุกข์ต้นตอแห่งชาติชราพยาธิมรณะทั้งหมดเลยคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้น เป็นปักตูเพื่อปฏิสนธิต่อไปเพราะไอ้ความเพลิดเพลินอันนี้เนี่ยเป็นตัวไปดึงชาวนะไปดึงเจตนาเพื่อนาเกิดในภพต่อไปฉะั้นความเพลิดเพลินอันนี้เป็น เ, นเหมือนกับแม่พาให้สัตว์ปฏิสนธิในภพ ต, ต่อไปนะตันหาวิชาอุ ป, อปาทานพวกนี้เป็นเหมือนแม่กรรมเนี่ยเหมือนกับพ่อสองอย่างประจวบกันเข้าเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้น การเกิดของเราเนี่ยนะสมมติถ้าเราจะพิจารณาเรื่องจุติจิตต่อเนี่ยจุติจิตเนี่ยจะต่อเกิดจากทวารไหนได้บ้างทางตานียถ้าจุติจิตจะเกิดทางตาปั๊บเนี่ยจักขวิญ ญ, ญาณจักขวะไม่ใช่สัมปติชนะสันติรนะนาโวทัพณะชาวนะห้าดวงจุติต่อได้เลยหรือตาธารามณะเสร็จแล้วจุติต่อได้เลยหรือพวังขั้นอีกหน่อยจุติต่อได้เลยทางหูเหมือนกันจุติ ต, ต่อจากชาวนะก็ได้ต่อจากตาธารามณะก็ได้ต่อจาก รวังก็ได้จมูกลิ้นกายใจโอ้โหแต่ละทวาลเนี่ยจุติเกิดขั้นได้หมดเลยตอนนี้ถ้าผมเกิดจุติปับก็ดีทีครับมันไม่ค่อยอยากให้จุติบแบบตอนนี้อ่ะดิมันไปจุติตอนไหนก็ไม่รู้ของอามายังเนื้อไหนถ้าเราแตแดงทำอยู่นะมันทักขึ้งบินมันตกมาโครมตกตรงคนเดียวพอนะ <c oughs> ไรดีแน่เลยอะ่ะมันโดไปคนเดียว เออเดี๋ยวคนอื่นเขายังไม่อยากไปใช่ไหมเดี๋ยวว่าชักชวนยินดีในการตายไม่ดีเป็นประราชิกเลยไม่ดี oh. นั่นแหละเขาก็ไม่ให้ชักชวนในการตายนะไม่ให้ภาลนาคุณแห่งความตายไม่ได้นะเป็นอบัตินะถ้าเขาไปเกิดฆ่าตัวตายอะไรตกนรกเลยประราชิกเลยนะไม่ได้เขาไม่ให้ยกย่องคุณแห่งความตายไม่ให้ขุภารนาคุณแห่งความตายเหมือนกันนะอันหนึ่งที่สุดใดพระากายมนุษย์จากชีวิตนะหรือแสงสแสวงหาสาตราอันจะนำเสียให้แก่ชีวิต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 ใช่ไหมเราไปด้วยกรรมของเราเอ๊ะกรรมไหนที่จะไปดีบ้างอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านนอะไปดีหรือยังอย่างเงี้ยเดี๋ยวแย่เลยเพรา ะ, ะเราต้องเจริญกุศลไม่ปล่อยให้ความคิดไหลไปตั้งแต่ศึกษาในลักษณะนี้นะจะรู้ว่าวิถีชีวิตของของการศึกษาปฏิบัติธรรมกับไม่ได้ศึกษานี่มันห่างกันมากเมื่อก่อนนี่เราจะปล่อยชีวิตแบบผ่านไปผ่านไปศูย์ ว, วางอย่าง ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ขึ้นดอยอินทนนท์ก็ดูชมนกชมไม้เราไม่เห็นสนุกอะไรเลยถ้ามาปฏิสนที่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไปชื่นชมต้นดูต้นไม้ใบหญ้าอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเรากาะพบใหม่ทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเอ๊ะ ช, ชักไม่สนุกละไฟันจะไหม่บ่มทิศะเรื่อยเรื่อยรื่ ย, ยใช่ไหมแต่ถามว่าความคิดนี้ควรเจริญไหมพระองค์บอกว่าสอนให้เจริญสัพพะโลเกอณพีราตาสัญญา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 ภัยของการไม่เห็นภัยในวัตฏะจะมีอะไรต่อไปวิบากของการยินดีในวัตฏะคืออะไรต่อไปทีนี้ถ้าเรามองแค่ชีวิตเราเราอาจจะมองไม่ออกนะเจ๊ไหมไอจอมปลวกแต่ละจอมปลวกนะช่วงต้นโอ้เวลาฝนตกนะ่ะมันบินขึ้นเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์มันขึ้นกันหรอกปุ๊ดเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะถามว่ามันกี่พันตัวบินขึ้นแต่ละจอมปลวกเนี่ยโอ้มากมายมหาศาลโอ้อบบายนี่มีมากมายมหาศาลเลยนะ เราจะเพลิดเพลินเราจะเผลินี่แล้วชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นวิบากกรมรมมาชโลภใช่ไหมที่อยู่ทุกวันได้เนี่ยตัวที่ทรงอยู่คือวิบากและกรรมชรูปถามว่ากรรมชรูปที่จะให้เป็นอยู่ลักษณะนี้ทรงไวเนี่ยสภาพลักษณะแบบนี้อยู่อีกนานไหมจากคุวัตถุของเราหรือตาของเราที่จะให้ทรงสภาพนี้อยู่อีกนานเท่าไหร่ถ้าตาบอดนะโลกของการศึกษาพระธรรมก็ลดไปอีกเยอะถ้าหูหนวกโลกของการศึกษาพระธรรมก็ลดไปเยอะ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 โภชนาการเนี่ยไม่แน่อาหารที่เราชอบนั่นแหละคื อ, อยาพิษทั้งนั้นเลยนั้นอาหารชรุ่ก็มีพิษมีพยัยแล้วจิตใจของเราวันวันหนึ่งอะไรเกิดมากกุศลหรืออกุศลมันเกิดมากถ้าอากุศลมันเกิดมากแล้วบาป พ, พวกนี้จะไปเก็บไว้ที่ไหนนาะอะไรบาพวกน้ไว้อะไรใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาปุ๊บเนี่ยนะ เราก็จะลําบากเราเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเลยในชีวิตของเราถ้ายิ่งยิ่งตอนนี้นะข่าวเรื่องจุตติจิตมันเกิดบ่อยมากตายทิ้งมาโมอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่น่าตายมันกว่าตายเสียนพระนั่งอยู่เฉยเยยังขาดเลยใช่ไหมที่สันปะตองอ่ะนะพระพุทธรูปยังคอหลุดเลยถ้าเสียนยังกิ่งไปเลยอะ่ะพระองค์นั่งอยู่เฉยเฉยก็ยังยั ง, ย, งยังหลุดอะ่ะแล้วพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหม ที่ขับรถเที่บ้านอุโมงค์เครื่องบินก็ตกในน้ําตรงนั้นน่ะถ้ามันตกข้างๆกุฏิจะว่างไงมีอะไรแน่สักอย่างโลกนี้เอา้าคือโลกนี้นะมันไม่มีอะไรแน่สักอย่างพระองค์เนี่ยสอนให้ให้ใหพิจารณามรณาสุสติถ้าเป็นสมัยก่อนนะว่าการปัจจัยของความตายนี่มีมากอย่างหนึ่งนะงูเงี้ยวเขี้ยวเสือเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นสมัยก่อนปา่าดงพงไพรใช่ไหมสมัยนี้นะ เงียวงูเงี้ยวเขี้ย ว, เ, ยวเสือนี่มันไม่น่ากลัวเท่าไอรถที่มันวิ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนั่นแหละรถที่มันวิ่งร้อยยี่สบสามสิบนั่นแหละน่ากลัวกว่างูอกีกปีไม่รู้กี่ปีจะได้ข่าวว่างูกัดคนตายยิงแต่ว่าไอรถชนกันตายนี่ในข่าวเกือบทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถจากอุบลอะ่ะที่ที่ว่านั่งรถจากอุบลประมาณตีสี่และตีห้าอยู่แถวกระ บ, บินบุรีอ่าเกือบเข้าตรีนี้ตอนหลังก็เข้าเขต พนมสารคามอ่ะตรงโค้งตรงเขาหินซ้อนเลยเขาหินซ้อนมาระยะนึ่งทีนี้วันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยทีนี้เรามากับรถกู้ภัยพอดีเลยรถกัรถบ้านโยมแถวนั้นเขาเขาทํางานกู้ภัยกันทีนี้มาก็คนเนี่ยไทยมุงเปะไม่หมดเลยมาก็ลงไปกู้ภัยนี้ก็ลงไปช่วยเพราะมันเขตเขาพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็ลงไปนะมันสมองเนี่ยนะตกแผลอยู่เท่า กลิ่นละคาวคลุ้งไปหมดเลยนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยกระเด็นไปตกทั้งนน้นตกไกลามากอันนั้นรถรถกระบะเนี่ยนะหลังคาเนี่ยหลุดไปหมดเลยหลังคาเนี่ยหลุดไปหมดเกลี้ยงเลยอ่าคนพิจิตคนคนพิจิตเขาไปซื้อของที่อรันเพื่อที่จะมาขายที่กรุงเทพระหว่างตีสี่เนี่ยรถพ่วงมันก็แซงกันมาพอดีเลยมันก็สอยเข้าไปนนตายเยอะเหมกันบาดเจ็บก็ไม่น้อย นั่นแหละที่สังเวชใจมากก็คือมันสมองเนี่ยมันตกอยู่ตรงนั้นพอดีนั่นแหละข่าวคลุ้งไปหมดเลยนี่เราก็ต้องไปยืนดูกับเขาโอ้ได้สังเวชใจเหมือนกันฉะนั้นเหตุปัจจัยแห่งจุตินี่มีมากเหลือเกินใช่ไหมถึงเราจะคิดหรือไม่คิดยังไงไปแน่ไปไหนแล้วครั้งนี้สแสวงหาพบใหม่นะสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าสัมภเวสีถ้ายังไม่เป็นพระอารหันเนี่ยก็ยังเรียกว่าสัมภเวสีสแสวงหาพบใหม่อยู่ตลอด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 กรรมมาพบกับอุปาติภพกรรมมาพบมีกี่อย่างมีสามอย่างกามมาพบรู ป, ประพบอารม ป, ประพบแล้วของเราเนี่อยู่พบไหนกามมาพบฌานก็ไม่ได้รูประโรก็ตัดทิ้งไปก่อนก็เหลือแต่กามกรรมนี่มีอยู่ยี่สิบดวงนะอากุศลสิบสองมากุศลแปดยี่สิบพอดีเลยเป๊ะเลยเหมือนบวกไว้ก่อนนะนอะแล้ว สิองกับแปดเนี่ยฟังหนึ่งแล้วสิบสองมันก็เยอะกว่าแปดเยอะเลยนะแล้วมันเกิดบ่อยอีกซะด้วย <c oughs> นนขนาดไหนบ้างที่กุศลและจิตเราเกิด ถ, ถ้าถ้าถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมนะก็ค่อยเอาเรื่องอริยศาสตร์เอากุศลกุศลคือเอาทานศีลภาวนา ม, มาสง่งเคราะห์ลงในชีวิตของเรานะจะเห็นว่าสภาพจิตของเราเป็นไปกับอกุศลมากมายมหาศาลเพราะไม่รู้อ่ะจะเดินจากตรงนี้แล้วจะไปไหนต่อพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านกล่าวว่า คนแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาคือท่านเล่าว่าคนทั่วไปเวลาทํางานนี้ก็ด้วยโทสะใช่ไหมเครียดไปตากอากาศเพื่อให้มันเกิดโลภะแล้วกลับมาเกิดโทสะต่อถามมาท่านก็เล่าว่อุประมาณว่าไอ้โทสะเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความร้อนอ่ะนะร้อนเสร็จก็ไปลงน้นําโครนโลภะก็เหมือนกับ น, น้นําโครนเติรนขึ้นมาเข้าสู่ความร้อนอกีกเพราะว่า เขาเนึ้อว่าลงไปอาบทัานคิดว่าเออการไปผ่อนคลายเหล่านั้นคือการแก้ปัญหาที่ไหนได้นั่นแหละคือไปสร้างปัญหากลับมาใหม่เพราะนในขณะที่ไปตาดอากาศนะน้อยคนนักที่ไม่ล่วงทุจริตกรรมด้วยใช่ไหมผู้ชายทั่วไปสุราก็จะเข้ามาแต่อย่างอื่นมันไม่อยู่แค่เล่าหรอกมูสาวาดเนี่ยโหดนั่งคุยเรื่องจริงคุยได้ไม่นานหรอกเชื่อเว้นไว้แต่เรียนธรรมะมาเยอะๆจะคุยได้นานหน่อยที่เหลือมูสาวาเกือบทั้งนั้น นั่งโกหกสัมผัสปราปะสอเสียดปิสุนาวาจาพุทธสวัจจาโอยมแมลงเอ้ยพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> ทั้งตัวเงินตัวทองอะไรอยู่แถวนั้นนักก็ไม่รู้ <c oughs> ในแถวแถวงเล่า ว, วงสุราเ <c oughs> พราะนบัคกุศลมันเกิดมากมายมหาศาลเสร็จ <c oughs> แล้วก็กลับมาเกิดโทสะ ต, ต่อนั้นชีวิตก็เป็นไปอยู่ในลักษณะนี้ตลอดเพราะนจากยมพวกการกล่าวอย่างนี้ทําให้เห็นมากถ้าไม่มีสาระ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 กรรมมันมีผลอนะ่ะเมื่อกรรมมันมีผลนะี่จะทำยังไงเออกรรมเมื่อกรรมมีผลปั๊บนะนอกจากเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นไปเพื่อพ้นกรรมเ <c oughs> จริญสติปัฏฐาน 4, สี่สัมมปัฏฐานสอิทิบาทสอินทรี่ห้าพละห้าโพชฌงเจตอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นแหละถ้าไม่เจริญกุศลที่ประเภทเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมถึงเราให้ทางรักษาศีลดีระดับหนึ่งถึงไปสวรรค์นนะ อายุของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราษร500ปีทิพย์อย่าลืมนะความสุขอย่าคิดว่ายาวนะนะชีวิตของเรานะที่มีความสุขอยู่50ปีกลับไปผ่าตัดเท้ามาไม่กี่ชั่วโมงอันไห น, นทุกข์กว่ากันนะไอจ้จำตอนปวดนี้จำได้แม่นที่สุดเลยนะไอ้ตอนนี้มีความสุขจำไม่ค่อยได้เผลอแป๊บเดียวหมดไปแล้วแต่ความทุกข์5นาทีโอ้โหมันยาวนานจริงๆเลยนะเขาบอกว่าราตรี ของคนนอนไม่หลับยาวนานหนทางโยดหนึ่งของคนล้าเนี่ยไกลคนเมื่อยลาเนี่ยโอ้โหโยดหนึ่งนี่ไกลที่สุดเลยนั่นแหละแต่ว่าสังสาระแห่งสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมไม่มีที่สิ้นสุดมันยาว ก, กว่านั้นเป็นไม่รู้เท่าไหร่ทุกทรมานมากกว่านั้นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นทําอย่างไรกุศ ล, ลจิตนะกุศลในที่นี้หมายถึงกุศลประเภทปริญญาจึงจะเกิดขึ้น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 สมัยก่อนท่านทาอะไรอยู่ท่านจึงพ้นจากทุกข์ได้ต่างจากเราไหมนั่นแหละเป็นไปได้ไหมที่เราจะคิดตามท่านในฐานะที่เราเอาท่านเหล่านั้นเป็นผู้ ท, ทังทำมังสังคังสราร น, นังคาฉามิใช่ไหมเนะความหมายของปัญญาคือธรรมวิจยัยคือการวิจัยธรรมนะฮะเป็นชื่อของปัญญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการเจริญวิปัสสนา เป็นกิจการงานทางใจเนี่ยนะจะได้ว่าเราต้องวิจัยธรรมะด้วยความคิดด้วยการตึกด้วยการคิดโดยแยบคายแบบนี้เขาเขาเรียกกรรมฐานไงจึงชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานนะครับก่อนที่จะหลับลองทําให้กุศลวิตกเกิดขึ้นทีนะตอนนี้กุศลวิตกเกิดเนี่ยนะ ถ้าเราลองตึกถึงสิ่งที่เราทํากุศลมาทั้งหมดเ น, นี่ยนะเราเห็นว่าเราตรึกเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องเดียวนะพอตึกไปแล้วเรื่องนั้นหมดนะเดี<ม>๋ยวต้องไปตึกเรื่องทานเดี๋ยวมาเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะถ้า<ม>ผู้ที่ทำเอาไว้มากๆกุศลมากๆเนี่ยก็จะตรึกง่ายเพราะฉะั้นพระองค์จึงบอกว่าให้ทํากุศลทั้งทุกทุกอย่างทั้งปวงเลยผมเพิ่งเห็นว่า การที่แก้อกุสนิตกนะด้วยการคิดอะไรแอย่างเปลี่ยนอารมณ์อะไรแอย่างนี้นะครับมันเป็นความจําเป็นครับอย่างผุ้ดชนอย่างนี้นะฮะทำกุศลขั้นทานนะลองระ ล, ลึกไปเท่าพักเดียวมันหมดแล้วครับนะฮะระลึกไม่ออกเรานึกเรื่องศีล เ, เพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรไปเยอะๆเรื่องกุศลนี้แล้วลองดูที่ครับว่าจิตน่ะเป็นกุศลก่อนหลับนะครับลองที่ทําได้อีกใ น, <ะ S 2> นหนึ่งนะในอนปัาณกะสูตรท่านกล่าวถึงว่าพิจารณาแบบก่อนจะนอนนะนะ กายกายนี่มีเป็นใจไหมไม่เป็นใจนะกายที่ไม่เป็นใจเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจเตียงที่ไม่มีใจก็อยู่บนพื้นที่ไม่มีใจพื้นที่มีใจก็อยู่บนดินที่ไม่มีใจดินที่ไม่มีใจก็อยู่บนน้ำที่ไม่มีใจน้าที่ไม่มีใจก็อยู่บนลมที่ไม่มีใจลมที่ไม่มีใจก็อยู่บนอากาศที่ไม่มีใจนะอากาศที่ไม่มีใจก็ไม่รู้ว่ามีลมอยู่ข้างบนลมก็ไม่รู้ว่ามีน้าอยู่ข้างบน น้ำก็ไม่รู้ว่ามีดินอยู่ข้างบนดินก็ไม่รู้ว่ามีพื้นมีบ้านอยู่ข้างบนบ้านก็ไม่รู้ว่ามีเตียงอยู่ข้างบนเตียงก็ไม่รู้ว่ามีคนหลับอยู่ข้างบนคิดอย่างนี้เรื่อยๆจนหลับนี่ก็เป็นอีกในหนึ่งของผู้ที่ไม่ประมาทนะเรียกว่าหลับอย่างมีสตินะตรึกแบบนี้บ่อยๆหรือตรึกในความเป็นธาตุก็ได้กายนี่คือมหาภูตรูปสี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนศีรษะหนงังศีรษะ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 ภาษารีบุตรท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนอันนี้พระโมคขลานะท่านก็อทำตามอันนี้ที่ไปเรื่อยๆจนถึงพระสงฆ์มาจนถึงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลามันก็เร็วกันนะ